อ ل ลั ل ุล الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لقربنا ي و إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من ه و ك ا ذ ب كفا a لو أراد الله أية تخذ و ل َ دا أية تخذ و ل َ دا لصطفا مما يخلق ما يشاء سبحان هو الله ال ل ا ل ل ล่าฮุลวะฮิดุล خلق السماء و ا ل َ ر ض بالحق يكوير الليل على النهار ويكوير النهار على الليل وَسَخَّرَ الشمس والقمر كل يجري لأجل مسامع َ ل ل ه ُ و العزيز ا ل و َ ف ر اسم الله الرحمن الرحيم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 วَบิกะอัَไซน์ و ะวับิกะนัชยาวับิกะนโมตัวอิละกันมุชูร์อาอุบิกะลิมัติลลาฮิตามัติมินชอร์มะ خلقبسم ิลลาฮิลลาดิลัย ضر มะ أسم ิฮิชายุ่มฟิลอาร์ดิวลาฟิสลามะวะฮุวาสซาหมีอัลมาลิมรดีตุบิลลาฮิรับบะฟบิลอิสลามิดีนาวับิมุฮัมมัดอิลราะซูละ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 اللهم ب m ك a b أصبحنا على دين إسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مس مسلما وما أن من ا ل م س ر ك ي ن سبحان الله وبحمده ع د د خلقه วรรยา نفسه วรรณาต่อเขาและวิดาคำพูดของเขา السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอบคุณ Allah سبحانه وتعالى นะครับที่เราให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะความเก่งของเราไม่ใช่เพราะความสามารถของเราไม่ใช่เพราะเรา เป็นคนเก่งโอโลใส่มงใส่แมสกินยานุมยานี้ก็หน้าที่เราต้องรักษาดูแลแต่อย่าลืมต้องขอดูอาดูดอาโรคระบาดเนี่ยนะครับมีดูอาที่ท่านนาบดสอนไว้หนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วนะอัลลอฮุมอินนีอูซุบิกะมินัลบาโรค วันยูนูนีวันยูดามวามินไซอิอสอโควิด1นทีนยกมือหรือไม่ยกมือก็ได้ทั้งสองนะครับนะหรือขอในสุดหยุดก็ได้ตอนนมาตาหันจุดนะขอบคุณเราล้อนะครับที่เราอสองโรคมาเนี่ยเพื่อเตือนเตือน <laughs> เรื่องจิบจ๊บจ <laughs> เตือนให้มนุษย์ ได้เลกถึงอัลลอฮ์พอมนุษย์อาจจะวางแผนทําลายแต่อย่าลืมว่ามนุษย์วางแผนอัลลอฮ์ก็วางแผนที่เหนือกว่าครับว่ามะการู่วว่ามะการรลอัลลอฮ์ผู้คอยรุ่นมากรีนอยู่ในคัฟีร์กรุรอานอัลลอฮ์สอนเราว่ามนุษย์วางแผนจะทําลายโลกใบนี้แต่อัลลอฮ์ก็วางแผนซ้อนแผนอีกทีนึ่งแต่แผนของอัลลอฮ์นั้นอนะ่ะยิ่งใหญ่กว่านะครับ เราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับขอบคุณสุลอนนะครับเราได้ทบทวนกุรานนะครับสุรร้อที่ผ่านไปแล้วสุรรซอเนี่ยนะจบไปแล้วนะครับสุรรที่38ดวันนี้มาขึ้นสุรร้อนามเนะครับำดียแล้วชื่อสุรร อ, อัอจุมารจุมารจุมารนี่แปลว่า แปลว่าจำพวกหรือว่าคณะคณะหรือว่าหมู่คณะอัลสุวาตแปลว่าหมู่คณะหรือว่าจะมากแล้วก็ประทานที่มักกาสุรานีนะมีอยู่สองอายาตนั้นเองประทานที่มา ด, ดีนะเมื่ออ่านถึงตัว น, นั้นจะอธิบายให้ฟัง ให้รู้เพียงคร่าวๆว่าสุร้อ์นี้มีทั้งหมดเอ่อกี่อายะจะิห้าอายะด้กันมีอยู่สองอายาที่ลงที่มาดีนะนอกนั้นลงที่มักกะหมดเลยแล้วก็คุณอาที่ลงที่มักกะเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องอะไรรูอเปล่าเรื่องอัติด้เรื่องความเชื่อ กุรอฮีที่ประทานทีมกให้กันนบนบีมุฮัมมัดผ่านผ่านยิบรีจันไรฮิสซาลามลงมาเนี่ยเน้นเรื่องอักิดะอักิดะความเรื่องความเชื่อความเชื่อความเชื่อมุอมดเลยนะครับคําว่าซูมัดเนี่ยแปลว่าหมู่คณะในกุรานมีอยู่คําว่าซูมัดเนี่ยผู้สองครั้งอายะที่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบห้านะครับ นองปเปิดดูตอนตอนท้ายนะครับเราจะกล่าวว่าอย่างนี้นะครับวซีกลลีนกฟรูอิลาจฮันนมาซูมารอมันยาวนิดหนึ่งเนี่ยแปลว่าซูมดแปลว่ารอแปลว่าหมูนะ่คณะวซีกลลีนกฟรูอิลาจฮันนามาซูมารอแปลว่าบรรดาผู้ปฏิเสธจะถูกต้อน สู่นรกเป็นหมู่หมู่ว่สิคนเ ล, ล่ีนักัฟารูอิลาจหันนามาซูมาโรแปลว่าอะไรนะบรรดาผู้ปฏิเสธจะถูกต้อนสู่นรกเป็นห ม, มู่หมู่อโลให้ไหมเหนาจะบิตนี้เล่าให้ฟังนะคนไม่เชื่อเยอะไหมเยอะก็ไม่มีปัญหาไม่เชื่อเรียนเล่าให้ฟังเป็นคําบอกเล่าไงวะให้ฟังในกะาีกุกลาน เราให้ยิบรินนำาความรู้นี้มาให้กับนบีนี่ก็เป็นความรู้เตือนเราแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับวสีกลลาีนัตตะเคารพ บ, บาฮุมอยายะที่เจ็สิบสาอีลันันนาติสูมารวาสีก็เหมือนกันนะแปลว่าบรรดาผู้สำรวมตนจากความชั่วต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาทั้งหลายนั้น จะถูกนำสู่สวรรค์เป็นหมู่หมู่คำแรกน่ต้อนต้อนนะป็นต้องกปนึกภาพสิเราเคยต้อนอะไรบ้างอ่ะตอนแพตอนแกะตอนเป็ดใช่ไหมคล้ายๆกันนั่ น, นแหละเข้าใจง่ายดีแต่ส่วนชาวสวรรค์เนี่ยผู้ที่สำรวมตนจากความชั่วเนี่ย คนที่มีเป็นเป็นอะไรนะัเป็นมุมินที่มีตะกวัวมุมินกับตะกัวเนี่ยมีความหมายต่างกันนิดเดจะอธิบายให้ฟังบรรดาผู้ที่สรุปตนจากความชั่วต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาทั้งหลายนั้นถูกนําสู่สวรรค์เป็นหมูม่หมูถูกนําสู่สวรรค์ส่วนคนกาเฟ่ น, นั้นถูกตอ้อนนึกเอาเองซีก็เหมือนกันนะถูกนํากับถูกต้อน ถ้าอยากจะถูกต้อนก็อย่ามีตักวาอย่ามี إ ي م านก็ใช้ชีวิตแบบนี้แหละสนุก ส, สบายๆไปวันๆหนึ่งส่วนมีอีมานต่อรอดก็ต้องตามนาบลตามอัลล็์แล้วก็มีตักวาต่อรอดเอาวันนี้ละัมดุลิลามาถึงสุระอะซุมัดอายาที่หนึ่งนะครับ แต่บิสมิลลาฮิรเราะมานิรเราะฮีแปลว่าอะไรครับด้วยพระนามของ a l l a อเราเริ่มเริ่มต้นอ่านกุราอนสุร้อนนี้ด้วยพระนามของ Allah อรรห์มานผู้ทรงไว้ซึ่งความกรุณาปราณีอันนี้เราต้องอยู่ในสมองเราเลยนะคนเอา a l l a ไม่เอา Allah a l l a เลี้ยงหมด คนเอาล้อไม่เอาล้อคนโสดอยู่ต่อลไม่โสดอยู่ต่อล้อลคนที่ไม่ได้ ง, งอลัลลหรือนึกถึงอลัอลลอฮฺอัลลอฮฺเลี้ยงดูแลหมดเล ย, เลยแต่ถ้ามองกันจริงๆแล้วนะอลัลลอฮฺจะดูแลคนไม่เอาล้อเนี่ยมากกว่าคนที่ดูแลเอาใจใส่ต่ออิสลามยกตัวอย่างใครบ้างอะฟาโร่เป็นไงโอ้โหใหญ่ไหมใหญ่รวยไหมรวยแต่อีกคนเนี่กรูนเนะี่ย เฉพาะลูกกุญแจไขาคลังอย่างเดียวน่ะคนแบกกี่คนที่เราเรียนเรีมานั่นแหละเห็นยังเขาดูแลไม่เห็นเด้อแล้วมุ่งมินอลัลลอฮ์ก็ดูแลใช่ไหมแต่คนมุ่งมินดูแลนะเขาไม่เขาไม่ห่วงเรื่องเงินกขาหัวเรื่องอิมานของเขาเขาห่วงเรื่องตักวาของเขานะครับอัลลอฮ์ให้เนี่อลัลลอฮ์นี่ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออันนี้เมตตาเฉพาะผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์ในโลกอาคีรอเท่านั้น หลายคนไม่เชื่อโอตายแล้วตายเลยจบเกิดมง้งเกิดไม้ไม่ใช่แล้วเชื่อไร้สาระก็ไม่ว่ากันนะแต่วนนนันี้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงทั้งหมดก็คำพิเศษอัลกุรอานทย์ที่แล้วว่าไงอัลฮักกูใช่หอัลฮักกูอากูลฉันพูดเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องที่อัลลอเล่าก็ะคำิเศษอักรุรอานเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องโกหกไม่มี Awal ni m a s u r a h a z z u r a r ayat 1. Nah, t a n z i l u l Kitab min Allahil Azizil Hakim. t a n z i l u l Kitab min Allahil Azizil Hakim. Allahakbar. u a r t i n i เตือนนะเล่าให้นบีฟังแล้วก็เล่าให้ผู้ศรัทธาต่อเรอฟังอายาแรกก็คือว่าตันซีมนันดูสั์ก่อนนะตันซีแปลว่าถูกประทานลงมามเป็นการประทานลงมาตันซี ม, มาจากนาจาลาอันจาลาถูกประทานลงมาประทานลงมาเนี่ยทยอยประทานลงมานะ อะไรไปไหมอลกิต า, าคัมภีร์เล่มนี้ถูกประทานลงมาเล่มนี้ที่เราอ่านกันอยู่นี่แหละอลกิตาด้วยแปลว่าคัมภีร์กุรอานเล่มนี้ถูกประทานลงมาถูกทยอยประทานลงมากี่ปียี่สิบสามปีที่นครมักกะสิบสามปีที่นครบดินาอีกสิบปี แล้วก็รู้ด้วยว่าอายาณีประธานติม ก, การูมาดีนะเมื่อไรมีประวัติเขียนเนี่ยหมดเลยแต่เรามาได้นำเอามาสอนนั่นแหละนา น, นาจะเอามาอธิบายบ้างเล็กๆๆๆน้อยมีที่ลงด้วยลงให้กับใครด้วยเรื่องอะไรด้วยอลัลลอฮฺประทานอันกุรอาน ล, ลงมาชัดเจนชับเป็นอ้ออันนี้เล่าให้นบีฟังเล่าให้พวกเราฟังกุรอานไม่ได้มาจากใครกรมาจากอัลลอฮฺ ต้นสิลุลขีตับิมินอัลลอฮ์มินอัลลอฮ์เป็นวะจากอัลลอฮ์การประทานลงมาแห่งคำพี่จากอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่มีสิ่ัตส อ, สองสองสิ่ัตอันละอาอิสผู้ทรงอำนาจมีอำนาจเต็มเปี่ยมเลยอำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่ากัน แล่อีกคำหนึ่งอัลฮากีมผู้ทรงปรีชาญยารู้รู้ใจของมนุษย์เจ็ดพันล้านเนี่ยรู้หมดเลยคิดอะไรทำอะไรวันวันหนึ่งยู่ยังไงอยู่ยยแล้วก็อลัลลอฮ์ไม่ลืมไม่นะขยับปากในี่ชมอลัลลอฮ์วันละกี่ครั้งอลัลลอฮ์แล้วก็ด่าคนกี่ครั้งนินทาคนกี่ครั้งและมือเนี่ยใส่กระเป๋าหยิบซะตันมาบริจาค หรือว่าทำอะไรก็ตามแต่เรื่องดีๆเอาลอรู้หมดเรื่องไม่ดีเอาลอก็รู้อัลฮะกิมจะได้ในคอมพิวเอรผมนั่งเช็คกุรอานดูนะใช้เวลาหลายหลายชั่วโมงคำว่าตันซีลเนี่ยคำว่าตันซีลมีทั้งหมด11ครั้งในคอมพิวเตอร์มนะมีทั้งหมด11ครั้ง แล้วก็อัลกิตาบเนี่ยกิทาบีปลว่าคำพีเล่มนี้นี่นะมีทั้งหมด230ครั้ง230ครั้งคำพีเล่มนี้คำพีเล่มนี้คำพีเล่มนี้คำภีเล่มนี้อัลลอฮ์กล่าวซ้ำไปซ้ำมา230ครั้งคำว่ า, อ, าอะไรครับอลัลลอฮ์คำเดียวนะมินลัลลอเนี่ย คำว่าอัลลอฮ์ในคัมภีร์กุรอานมีทั้งหมดกี่คำหรือไมย980 <c oughs> 980ครั้งในคัมภีร์กุรอานที่เป็นความรู้ทั้งหมดอะแม้วุลมะเขานั่งนับกันอะก็มันเทอะทะว่ากว่าจะไปเจอเรื่องนี้โอ้โหใช้เวลาพอไปเจอละคำด้ลยแล้ว900เท่าไรนะ80ครั้งคาว่าอัลลอฮ์ในกุนรอานและอีกคำหน Al ึ iz, ่งอลอาซีอัลอซีเนี่ย ผู้ทรงอำนาจนอะบมีทั้งหมด92ครั้งและอัลฮะกีมฮะกีมเนี่ยผู้ทรงปริชาญอานะมีทั้งหมด81ครั้งเอาอายะเดียวพรว่ า, ว า, วาประธานลมานี่กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งในกัมพีอัลกุรอานตันซีลุลกิตาบิมินัลลอฮิลอ ز ي ز ิลฮะกีมแปลว่าอะไรนะ การประทานลงมาแห่งคำภีรนี้จากอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปรีชาญาณสุรอซูมาตเนี่ยรู้เปล่านบีอ่านทุกคืนนบีเป็นบุคคลตัวอย่างน่ยเราทำตามนาบีเพราะอัลลอฮ์สั่งให้เราทำตามนาบีแราะนาบีอ่านกุรานสุรอ้นี้สุรอซูมาต์เนี่ ย, ยทุกคืน มันจะบอกว่าตอนอายุไม่ฮัตติสของอิหม่ามนัสัยการนับนบดยัครูฮะในร่อัลจุมะุลละไลนบีอ่านทุกคืนเลยใช่ไหมผมก็เริ่มาแล้วอ่านตพอว่านบีอ่านทุกคืนแล้วก็อ่านทุกคืนเนี่ยใช่ไหมอ่านตอนหลังนมาอิชาก่อนนอนเนี่ยียญาทั้งหมดไม่เยอะนี่ออับ เจ็ดสอายะเองนะครับอ่านยี่สิบนาทีขึ้นชั่วโมงก็ค่อยอ่านไปดิค่อยอ่านอายะอื่นด้วยสุร่าอื่นด้วยนะครับตัลวงอัาดบีอ่านทุกคืนไหมนี่ขณะเป็นนบีนะจะอ่านกุรอานทุกคืนคนที่อ่านกุรอานเนี่ยเป็นต้องบริกัรในชีวิตเยอะมากการทีดาคนอัานไหนดีกว่ากันอ่ะ <c oughs> คนด่าคนกระทนั่งอ่านกุรอาน อ, อ, อัลลอฮว่า คนอ่านกุรุาาดีกว่ายิ่งรู้ความหมายยิ่งดีใหญ่เลยไม่รู้ก็ได้แต่ว่าได้แค่อะไรนะบรารักัศนหละนะอะไรนได้ได้รางวัลตอบแทนจากอวบอต่อม า, อาย่าที่สองนะครับอินน์อันซาลนาอิลัยกะลกิตะบะบิลฮะ ف الله َาบูดิลลามุคลิศละอุดดีอินน่าอัลญาลนะอิَัยกะลกิตะบับิลฮะติฟ้าบูดิลลามุคลิศละอุดดีอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลล อินนาแปลว่าแท้จริงเราอันซาลนาก็แปลว่าเราได้ประทานอิไลกะมายัางท่านท่านหมายถึงใครรู้เปล่าอัาบี ม, มุฮัมมัดอ่าเจาะจงเลยเป็นเอกพจน์ว่าอิไลกะเราได้ประทานมายัางท่านอะไรครับอัลกิตา คำพีเล่มนี้อัลกุรอานเล่มนี้บิลฮักต์แปลว่าเป็นความจริงเป็นศัตธรรมเรื่องโกโหกไม่มีเรื่องสงสัยไม่มีเรื่องค้างแคลงไม่มีชัดเจนหมดเลยกรางแต่ละอายะห์แต่ละอายะห์ะะถูกประทานลงมาเป็นเรื่องจริงทั้งหมดมาจากอัลลอฮพี่น้องต้องนึกด้วยนะ ก่อนที่อรรถจะบัตทานอนุราลงมาเนี่ยอรรถเคลียร์ทองฟ้าก่อนนะเคลียร์ทองฟ้าเมื่อก่อนในไซตตอนขึ้นไปเพลนพล่านอยู่ข้างบนใช่ไหมนะ่ะแล้วไปแอบอยู่ที่ทอ ก, ก้อนก้อนเมฆไปฟังมาเลยิกาเนี่ยอรรถสั่งมาเลยิกาให้มาทําอะไรบ้างก็ไปแอบฟังอะ่ะพอว่าซต์ตอนยินรู้ข่าวเรื่องมาเลยิกาอรรถสั่งให้ทํานู่นทำนี้มันก็ลงมาหาหมองอะ่ะ หมออยู่บนบนแผ่นดินนี่แหละอยูตามตำบลต่างๆเนี่ยก่อนที่ยินมันจ ะ, จะมาหาหมอเนี่ยสังเกตนะครับหมอเนี่ยจะหาวอันไหนที่ฉันที่พบตบีสอนหมดเลยนะมันจะหาวครับไมนะ่เหาอ้าวปากกว้างเลยแล้วก็อานุสวลรีก็ไม่เป็นด้วยนะหาวย่างเดียว แต่มูมินเนี่เวลาหาเป็นไงอามือปิดปากใช่ไหมอ่าอาอบิลเลยมันเอาสัตเป็นหลังปืนหน้ามือหรือผ้าชดหน้าก็ได้อ่านอุบิลแต่คุณกับเพื่อนอ่านเป่าอาแต่ปนั้นและเสตตอนตอนจะมาแล้วสักห้านาทีหรือสองนาทีเสตอนก็จะจ ะ, จะมาพูดเลยอ่าเปยังไงอย่างนี้โกหทั้งหมดอ่ามาหาพวกหมอดูหมอดูก็ก็จะเล่าเรื่อง เดี๋ยวกระห ồ ก, กระห ồ ทั้งนั้นแหละเป็นน้องจริงเล็กน่อยกรหงเยอะหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ฟาบุดิลล์แปลว่านะฟาบุดิลล์ฟาแปลว่าดังนั้นจงอบบดุลลอ์จงเคารพพักดีอัลลอฮ์การเคารพพักดีอัลลอฮ์เนี่ยนึกเองได้เปล่าไม่ได้ต้องดูตัวอย่าง แต่นั้นท่านมาดีเป็นการพักดีต่อล l l a h อานน้ำน้มาเนี่เป็นการพักดีต่อล l l a h สุญูดีเป็นการพักดีต่อล l l a h อ่านอัลกุรอานเป็นการพักดีต่อล l ะ a h ทำดีกับพ่อแม่เป็นการพักดีต่อล l l a h ให้อภัยกับคนเป็นการพักดีต่อล l l a h นักบิษณุหมดเลยยี่สิบสามปีเนี่ยสอนละเอียดยิบเลยไม่มีข้อสงสัยข้างแคลงฉะนั้น farbuddil ดังนั้นจงเคารพพักดี อ, อัลลอฮ์มุคลิสันอ่ามุคลิสนี่มาจากอิคลาสเป็นไรนะผู้มีหัวใจที่บริสุทธิ์มีหัวใจที่สุจริตมั่นต่ออัลลอฮ์องเดียวเะฉะนั้นศา ส, สนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนนะคนมุ่มินทั้งหมดทั่วโลก ไม่ให้ทําความดีเพื่อโลกดุนยาอะไรบ้างเพื่อเงินอย่าไปเนียดเพื่อชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศเพื่อเพื่อเพื่ออย่าไปทําอย่าไปทำเพื่อคนแต่ให้ทําเพื่อใครอัลลอฮ์เห็นยังให้ทําเพื่ออัลลอฮ์ให้หมดมาลามาดเพื่ออัลลอฮ์ไปเยี่ยมพ่อเพื่ออัลลอฮ์ไปเยี่ยม ลูกๆอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดเพื่ออัลลอฮ์ทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์ทั้งหมดจะกินอาหารชมพะยาทำอาหารอร่อยเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยทำเพื่ออัลลอฮ์หมดะนั้นเราก็ขอช่ำเพื่ออัลลอฮ์เสร็จแล้วก็คนที่ได้ยินภาษาเราพูดเราก็สบายใจฉะนั้นคนที่จะทําความดีเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยต้องมีอิมา่อนก่อนและอิมานในเดินหาเก็บได้ไหมละ่ะ มายืนหน้าบ้านหาอิมานหน่อยเจอได้ไม่เจอไม่เจอครับคนแต่มีอิมานต้นเรียงเรื่องสีฝัดอลัลลอฮ์ก่อนอันนี้ละเอียดหมดเลยนะจะดันคนที่เข้าใจเรื่องเรื่องอิมานนะจะน้มานไม่ขาดเข้าใจเรื่องอิมานเนี่ยเขาจะอ่านกุราสนสม่ําเสมอคนที่มีอิมานเขาให้อภัยกับคนคนที่มีอิมานเนี่ยเขานื่ถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้ นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงชีวิตอยู่ในกูโบเป็นห่วงอะไรหมดนั่นมันมีอีมานน่ะทีนี้ตักวาเนี่ยอีมานกับตักวานี่ไม่เหมือนกันนะ่ะตักวานี่ก็ตักวาหมายถึงสำรวมตนจากความชั่วไม่ทำบาปอ่าตักวาหมายถึงไม่ทำบาปอาเชื่ออะไรบ้างพออ่านกุรานจบแล้วเนี่ย เราเคยนินทาคนใช่ไหมเคยว่าคนนั้นว่าคนนี้พออ่นานคัมภานจบวันนี้นึกไม่ว่าคนมันบาปนะพอบาปทั้งว่าคนนี้มีตักวาที่โรคโควิดมาเพราะคนไม่มีตักวานี่ที่ลงมาเนี่ยไปทั่วโลกหมดเลยเนี่ยคนขาดตักวาใช่หรือไม่ใช่คนนินทากันอยู่คนทําบาปอยู่คนกินเหล้าคนเล่นการพ น, นันคนท ร, ทรยศ กับพ่อแม่ตัวเองมีเงินโกงเงินเข้ามาถ้ามดคนทรอยต่ออัลลอฮ์มดเลยจากโรคโควิดมาครับพวกมุสลิมนี่มี إ ي م านต่ออัลลอฮ์เขาทำความดีความดีความดีเพราะ إ ي م านส่วนตักวานั้นไม่ทําความชัว่วถึงได้มีการสอนกันตลอดเวลาว่ามี إ ي ม ا ن นะและมีตักวอี إيمان หมายถึงให้ทําแต่เรื่องดีๆส่วนตักวานั้น ไม่ถามความชั่วอย่างนี้เดินเดินมาเจอสตังหล่นพันบาทคนที่มีตักวาเนี่ยเขาเขาเก็บมันการจะไปประกาศต่อหรือไม่เก็บเลยนั่นก็มีตักวาแต่คนที่ตักวาไม่มีมองซ้ายมองขวานี่ริสกีฉันห <c oughs> ยิบใส่กระเป๋าเลยอัลฮัมดุลิลละเพิ็ยังเอ็งหยิบได้ไงอ่ะถ้าหยิบไปประกาศมีตักวา ถ้าหยิบใสก่กระเป๋าเองไม่มีตากว่าพอหยิบบ่อยๆทั่วโลกอาซาบมันก็มาท่านไปทอนร้อรอ่านอ่า น, น, นก็อ่านดูสิพวกอาชมุดนบีนัวพวกกลุ่มนบีต่างๆที่อสอนศาสามากี่ปีกี่ปีแล้วก็ถูกลงโทษนะเพราะเพรา ะ, เพราะไม่เชื่อไนงะทำผิดอย่างฟาโรในไมนะกก่ น, น่าทะเลาะกับนบีมูซาแล้วเป็นไงครับอัลลอฮ์ให้นูนให้นี่ไม่เคยขอบคุณอัลลอฮ์ทัดยศต่ออัลลอฮ์ อัลเราให้ชมน้ำตายอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆอย่างนี้นะครับต่อมาครับอินน์อนซัลนาอิไลกลกิตาบิลฮักต์แท้จริงเราเราได้ประทานคำพูดอัลกรุรอานนี้แก่ท่านคือมุฮัมมัดบิลฮักต์ด้วยสัจธรรมนำเอาความจริงมาให้ฉะนั้นอันอานก็อ่านไม่ต้องไป นึกหรือว่านี่มันจริงหรือเท็จเริ่มจริงหมดเลยครับแ ล, ล้วอัลลอ์สั่งอีกสั่งอบีนะฟาอูดิลดังนั้นมุฮัมมัดจงเคารพภกดีอลัลลอฮ์มุคลิซวนเป็นผู้ที่มีหัวใจสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอ์อย่าทําเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อเพื่ อ, อไม่ ท, ทาําพํางพูอัลลอฮ์อย่างเดียวลาฮุ ด, ดีล เป็นการเคารพพักดีอลัลลอ์ะเป็นระนะในศาสนาของพระองค์หัวใจสะอาดเรียกว่าศาสนาถ้าไม่สะอาดไม่เรียกว่าศาสนาเห็นอย่างการในอิสลามเพียวนะือไม่เพียวอัลลอฮ์อักบาตทำให้เราสบายใจขึ้นถามว่ากุรอานย่งนี้เตือนเราานะเตือนนบีเตือนคนอ่านกุรอานต้องทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจเรียกว่าละหุดดีนคนนี้มีศาสนาแล้ว คนถ้ามี إ ي م านมีต ก, กว่ามียตีนมียสามีอัคราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตั้งหกอย่างนะหนึ่งราะห์มาจะตามมาเยตัวช่วยหมดเลยนะให้ราะห์มาให้ความเมตตาให้อิจจาให้เกียรติยศให้บรารักัดให้ความจำเริญอัลลอฮ์ให้ความนุสย์วะความช่วยเหลือให้ฟาลาะการรักษาหกยุสรุน พราะอิมานมีแล้วนะทำความดีเนี่ยยุดธ์บอว่าง่ายมากเลยครับมีหกอย่างนะคนถ้ามีอิมานต่ออัลลอฮ์แล้มีตักราต่ออัลลอฮ์นะครับแค่สองอย่างนี้นะคุณศาสนาอิสลามนี่นะอัลลอฮ์จะให้อะไรบ้างหนึ่งรักมาความเมตตาสองอิจา์ให้เกียรติยศเกียรติจะ่าไปหาที่ที่อื่นหาไม่เจอคราัาไปนอ้องอะไรเกียรติจองปลอมด้วย น, นะอย่างที่ก็ได้กันตามอะไรอ่ะ ตามสภานง้นที่เขาให้นะเป็นนั่นไปนที้นะไม่กี่ปีก็หมดสสวสกีป่ปีสีปีห้าปีหกปีหมดแล้วแต่เกียรติของผู้ศรัทธาต่อร้อนเนี่ยไม่หมดเกียรติไม่หมดครับไปถึงวันเกียร์มานู่นนะวันเกียร์มานก็ไม่หมดนะหนึ่งมีรอฮมาสองมีไอซ่า ah, มีเกียรติยศสมมีบรารักัดสีนัสรอตุลลอห์เป็นการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ ที่ลุกขึ้นมาตะหัดยุดได้ไม่ใช่ฉันเก่งนะครายให้อลลอฮฺบิดตัวไปบิดตัวมาขึ้นหรือไม่ขึ้นดีไอที่ขึ้นได้นี่เรามาลูกนทอ ม, ทอ ม, ทอมตอมนนบีอ่านอัลฮัมดุลิลลฮลลาดอยานาบาดามะมาะนาไลานี่เป็นนุสรความช่วยเหลือที่มาจาก Allah. Allah. Allah. อัลลออัลลอตนึกไม่ใช่ฉันแน่ฉันแน่ฉันเก่งเองเข้าใจผิดหมดเลยนะน้สอนเราให้นึกนะ แล้วก็มีไฮฟาร์รักษารักษาชื่อเสียงเรารักษาเกียรติยศของเราอะถูกด่าถูกอะไรเราให้อภัยหมดเลยเนี่ยเราพัฒน า, ายังต่อสาเร า, าแล้วแล้วก็ว ย, ยังยุตรยุตให้ความสะดวกสบายง่ายดายกับลุกขึ้นนมาทหารยุทธแบบสบายสบายเดินมาสู่เราก็สบายสบายช่วงโควิดเจี่ยคนก็หายไปเยอะนะเจีย <laughs> ก็เสียใจเหมือนกันนะ อเราเสียใจจะร้องอนะครับนี้แล้วเพราะเรากลัวโรคพอโควิดมาเนี่ยเด็กจามัสยิดก็เสียหายเยอะแล้วมุสลิมเราไม่เค่อยไม่คยไ ม, ค, ยไมคยไม่ค่อยไหวหน้ากันด้วยอุลลอฮฺอัลลอฮฺดูด่ากันว่ากันเสียหายหมดเลยอั น, นาอูซบิลาาลาฮฺอินชลิตตัวหลงว่ายึดมั่นในอัลลอฮฺองเดียวทําความดีเพื่ออัลลอฮฺองค์เดียวนะครับ แล้วก็นั่นแ่ะเรียกว่าละหุดดีนคนนั่นเป็นคนที่มีศาสนาเมื่อมีศาสนาแล้วอัลลอฮ์ะจะให้ความสะดวกสบายอีกกี่กี่ประการ น, นะอีกหประการแค่จำจำวรรลการหนึ่งรอฮมะสองอิสจาเกียติยศสี่รรกัรหช่วยเหลือจากอัลลอ์หกการดูแลห้าการดูแลจากอัลลอฮ์หกยุทรอความสะดวกสบายฮาหมุลิลละนี่เปความเมตตาของอัลลอ์ะุสัธธล เอาต่อมาครับข้อที่สามอัลลอฮ์ดินอลฮัลิส الحمد لله อัลลอฮ์ดินอัลฮัลิส والذي نتخدو من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيماهم فيه يختلفون. อินนั่ลลอฮะล ل ะย่ ه ดีมันหัวคาบุงกัฟฟาร์ ل َّลอฮฺ ل ัลลอฮฺเบลฮ ل บดุลลอฮฺอลาลิลอฮฺอินุลฮัลลิษและที่น و ททั้งหุ่มในดูนีอัลลิอั ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون อินนัลลอฮะลาอีฮ์ดีมันฮูอะคาดิบุมคาฟะร์อัลลอฮฺอักบาร์ไอ้ยานี้อัลลอฮประทานให้ิบรีนนำมาให้นบีที่นครมะ ก, กาณนาะบอกว่าทุกคนต้องมีาศาสนาอ้ยานี้เตือนทุกคนคือจะเกิดที่ไหนก็เกิดได้ แต่เกิดในประเทศในปานเกิดในอินเดียพมา่าเกิดไปเถอะแต่เกิดมาแล้วนาะยอย่าเพิ่มตายเวลาตะโมตุนอินแล้วว่าอันตุมมุสลิมอย่าเพิ่มตายจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้เรื่องอิสลามก่อนที่เน้นศาสนาของอัลลอฮ์ว่เอาอิสลามก็เรียนอิสลามแล้วค่อยตายอายุสุดท้ายของของซุราะซอดอายายายลำบากพี่น้อง วัลลัต้าลามุนนาบาอบะดาฮียัตุท้ายขสุลต่านนะนะหลักแบยัสุท้ายเลยนะย้ายที่เท่าไหร่แปดสปดนะวัลลัต้าลามุนนะนาบาอบดาฮหมาแปลว่าอะไรบะดาฮีมันว่ า, วาหลังตายพอวิญญาณออกจากร่างปับ๊บคนตาจะได้เห็นหมดเลยว่าของที่อัลลอ ให้ความรู้ผ่านนาบีเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับพอพิญารณาออกจากร่างปั๊บอัลลอฮ์มีจริงตายจริงนบีมุฮัมมัดที่สอนเป็นเรื่องจริงกุณานมาจากอัลลอฮ์จริงมาลายิกามีจริงตายแล้วต้องฟื้นจริงเห็นหมดเลยไปน้องครับแล้วก็เป็นไงเรามาอุนนเล่าวมีฟังนะวะดาตาละมุนมนะมาณบะอาบะดาหิน พอวิญญาณออกจากร่างแป๊บเนี่ยเสีดายอ่ะขอร้องมาเลก้าอย่าล้อกลับไปมีชีวิตใหม่บนโลกดุนยาใหม่อีกครั้งหนึ่งมาเลก้าถามว่าก็ออกมาจากดุนยามันจะอะไรแค่เจ็ดปดชั่วโมงแล้วขอร้องจะกลับอีกหรือก็ออกจากดุนยาแป๊บๆในขอกลับอีกหรือบอกว่าใช่ อยู่บนดุญญนยาในปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะไม่เรียนาศาสนาเลยนะอ้าวอัลลอฮ์ให้ไมวันนี้กลับเนื้อกลับตัวเธอกลับตัวได้แล้วคนที่ม า, าศาสนานะีะเยังอร่อยดุนยาอร่อยเรื่องโกหกหมดเลยอนะ่ะเรื่องหลอกลอกทั้งน่าอยู่บนดุนยานี่้วยนะเราโควิดนี่การเมืองด้วยนะแต่กาเมืองได้เด็ดได้น้อยเ า, าอ่านสือเยอะอ่นโน่นอันนี้เยอะ การเมืองก็เยอะแค่นี้พอนะเอาต่อมาครับมาดูสัพ์อาลาจงรู้ไวเ้เถิดอาลาโปรดจงรู้ไวเ้เถิดลิลลาฮิขึ้นต่ออัลลอฮ์หรือเป็นของอัลลอฮ์มันมอยู่สามสามคำนะลิลลาฮิมินัลลอฮิ เราเนี่ยมาจากอัลลอฮ์กลับไปหาอัลลอฮ์ทำงานเพื่ออัลลอฮ์นี่งานเล่นได้ต้องเพื่ออัลลอฮ์ทั้งเดียวเลยนะเพราะเรามาจากอ AH, ัลลอฮ์เราก็กลับไปหาอัลลอฮ์ทำงานความดีเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์หมดเลยทั้งมาก็มาจากอัลลอฮ์กลับก็บไปหาอัลลอฮ์ความดีทําเพื่อใครเพื่อ AH, อัลลอฮ์ยาวหวังกับมนุษย์โอ้แต่แต่ต้องสอนมันบ่อยนะ บางทีมันก็ใช้ตอนมีหน้าที่มันนะเองทำเพื่อเพื่อเองได้เองเอ่เพื่อเองดีกว่าเพื่อชื่อเสียงของเองดีกว่านะอย่าไปทำเพื่ออัลลอย์เยอะเลยเก็ตามมาแต่ถ้าเราไม่ฟังศาสนานะแล้วเลยไปเลยได้งานนี่เตือนแล้วอ า, า่าจงรู้ไว้เถิดลินละฮี่ขึ้นตรงกับอัลลอ์เท่านั้นอันดีนาศาสนาบริสุทธิ์ใจ ผู้ที่นับถือศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยถามว่าหมดอายุเปล่าคำอธิบายหมดอายุไ้ยไม่หมดอายุครับทําเพื่อมนุษย์ในหมดอายุไหยหมดครับทําเพื่อเงินหมดอายุไหมหมดครับทําเพื่อลูกเพื่อเมียหมดอายุหมดอ่ะแต่ทําเพื่ออัลลอฮ์ไม่หมดอายุเขาเรียกว่า อยู่ไปตลอดริสกีที่ไม่หมดอายุอัลฮัมดุลิลลาสบายใจไหมฮัมดุลิลลาพี่น้องในอิสลามอัลกุรอานสบายใจคับพี่น้องเรื่องที่สอ ง, ส อ, งอยา่ารอเตือนนะวัลลใีนัตตาคอรูบรรดาผู้ที่อิตตาคอรูที่ยึดอาคอร่าแปลว่ายึด มินดูนิแลือื่นจากอัลลอฮ์ผู้ใครก็าตามที่ยึดเอาสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เป็นอะไรเอาลรียเป็นผู้คุ้มครองเข้าใจง่ายไหมไม่ยากครับใครที่เอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นที่คุ้มครองตัดซิ่อธิบายอย่างไงเออ อบูยะฮ์อบูลาฮ์มั ก, ก, การโน้นะไม่แต่เมืองไทยแต่มกกากะลงุลงลุนบีญาติญาตินบีเนี่ยเขาก็เอาตำแหน่งฟาโรเอาตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งอะไรแต่ตงกษัตริย์กอรูนเอาอะไรเอาเงินเป็นที่พึ่งใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนะ หามาจะเหมือกนการเอาตำแหน่งเป็นข้าราชการตำแหน่งข้าราชการกษัตริย์ฟาโร่เอาตำแหน่งกษัตริย์อารกอรูนเอาเงินแล้วก็เป็นไงหมดหมดอายุบาปเห็นไหมหมดอายุหมดเลยแล้วฟาโร่จมนําตายทําไมอ่ะนี่ต้องการจะเตือนนะวันลาดีนัตตาขอดูมินดูนีฮิเอาเลีย บรรดาผู้ที่ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์เป็นที่คุ้มครองเดี่ยเราไปฟังก่อนนะเป็นยังไงรูเ้เปล่ามานาบูดูฮุมพวกเขาพูดว่าเราเนี่ยนะไม่ได้เคารพเราไม่ได้เคารพเงินเราไม่ได้เคารพจเวท เราไม่ได้เคารพอะไรนะรูปอันเราไม่ได้เคารพชื่อเสียงตําแหน่งเงินเราไม่ได้เคารพเราไม่ได้กราบเราไม่ได้ไว่ายแต่เราทําทําไมอิลลิยุกอริบูนาะ<ม>เพื่ออะไรนะเพื่อทําให้เราเนี่ยเข้าใกล้เราเอามาเป็นสื่ออย่างเดียวนี่เป็นความเชื่อของคนกาเฟสในนครมักกะ น บ, บีบอกว่ารูปจเจวิตเนี่ยอย่าไปกราบได้ไหมอจเวตในนครมากาเท่าไหร่ในมักบักกันเณรไปไปตัวล่องหนะวันนั้นเท่าไรสามร้อยหกสบกว่ารอบกราบบรรทุกหมู่บ้านหมู่บ้านนี้กราบรูปปั้นนี้หมู่บ้านนี้กราบรูปปนนั้นนี้ก็เข้าออกมากางังโอ้โหแล้วเวลามาทีนั่นก็ต้องพาอาหารมา กลับก็บพาอาหารกับก็ค้าขายมันก็ดีใช่มัมนะนบีมาบอกเลยเลิกให้หมดเขาก็ดานบีว่า ม, ม, มาแปลกสอนแปลกเราเครารพพระเจ้าตั้งสามร้อยหกสิบองค์มุฮัมมัดมาสอนให้เหลือองค์เดียวทำได้ยังไงไปคิดหม่มาตทองดานบีกันน่ะนี่กาลังคุยกันอยู่เรื่องนบีกับญาติพี่น้องนบี อภิษาว่าไปกราบทำไมเขาก็ตอบง่ายนะรีอยุกอริบูนาอิลอเราเอาเป็นตัวเชื่อมท่านน้นองเดเราไม่ได้กราบตรงๆกราบหน้ากราบให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ขอจาเอาลอก Allah อีกทีหนึ่งแบบเราไปหาตัวตะเกียร์ใช่ไหมคนไปหาตัวตะเกียร์นะคุณแขกหมดเลยนะพวกสารบันแต่อย่างผมนี่แหละ กราบฉันไม่ได้กราบตะเกียร์ฉันไปขอให้ตัวตะเกียร์ช่วยขอจากอัลลอฮ์แทนฉันหน่อยอย่างเงี้ยได้หรือไม่ได้ไม่ได้ครับคนตายไปแล้วขอไม่ได้ใครสัง่งก็นบีผู้เองน่ะถ้าคนเป็นก่อนตายนี่ได้เปล่ า, าไปหาอหมาัดอามัดช่วยขอดัอาบอุลคืนอามัดทานยุบทุกคืนให้ฉันมาขอเองไม่มีปัญหาสิไปหาอิมามอัสยดไปหาตัครูที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ ที่เขามีความเชื่อมกับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเขาเป็นคนดีช่วยดูการให้ฉันนอยอย่างนี้ได้ไหมได้แต่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยได้ไหมไม่ได้น่าจะเข้าใจง่ายๆแต่เข้าใจยากนะดูเลยนะ <c oughs> จุลฟามีอยู่คำหนึง่งจุลฟาแปลว่าอะไรนะ่ยโดยสนิทอ่า <c oughs> เป็นสื่อโดยสนิทเรานะ่ะยึด อันนี้เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่นะเพื่อจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะพาเราเข้าใกล้อัลลอฮ์สุภาหนะฮุวาตานะยี่ได้ไหมทิสลามได้มหมไม่ได้นะครับมันมิสรบอยู่คำหนึ่งอยู่ก้อนรีบูมาจากกุลบานอ่าเนี่ยรบคนี้เนี่กุบานจะมาแล้วจะมาอีกกี่วันยี่สิบกว่าวันใช่ไหมกุลบานจะมากุลบานแปลว่าทำตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮ์โดยเอา เอาแพะเอาแกะเอาวัวเอาควายเชือดม่นจะกินคนเดียวนะต้องบริจาคอีกเหลือกับเราเลยเล็กน้อยเห็นไหงครับบริจาคเพื่ออะไรเพื่อหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะหฺอัลลอฮฺหรืออยูก่อนริบูนาแต่นี่มาได้เอาอะไรมาได้เอาแพะเอาแกะเอาอะไรเอาเจาเวดลาดอซามานาดมีเชื่ออยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับคตกลงว่า นี่กำลังคุยกับมับีอยู่อ่าอนเล่าให้ฟังหมดเลยนะต่อมาครับที่ทขัดแย้งกันอยู่นี่นะไม่จบด้วยนะไม่จบเป็นไงครับแล้วก็ตายกันอินอัลลอฮฺยักูมุบัยนาฮุมแท้จริงอัลลอหฺฮากมายะกษมุบ์แปลว่าตัดสินอยู่บนุ ญ, ญ่นนี่ตัดสินแล้วมันไม่เชื่อ ใบหน้าหุมในระหว่างพวกเขานี่ใครตัดสินนะไหมอัลลอฮ์จะตัดสินอีกเที่ยวหนึ่งศาลบนโลกใบนี้ใครมีเงินก็ชนะไปพวกไม่มีก็แพ้ใช่ไหมเมื่อเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์เล่าเองนะศาลยังมีอีกศาลหนึ่งอะไรศาลของอัลลอฮ์นึงอ่ะอินนัลลอฮัยยัคุมบัยน้าุม nah um. แท้จริงอัลลอฮ์จะทรงตัดสินในระหว่างพวกเขา ฟมาหุมในข้อที่พวกเขาฟีฮิยัตลฟูลที่พวกเขาขัดแย้งกันในเรื่องนั้นๆอัลลอจะตัดสินอีกเที่ยวนึงในโลกอาครานั่นเราจะมีสารอีกสารหนึ่งสารยุติธรรมที่สุดสารคนทำงานเพื่อ Allah อ, อัลลอปลอดภัยคนทำงานเพื่อมนุษย์ ม, มีเปล่ามีครับ รอด ล, ลงโทษอย่างนี้ดีความรู้นะคนนี้นามาดดีอะไรดีอ่านกุร์านดีอะไรดีแต่ทํเ า, าเพื่อคนหมดเลยริอาอันนาเพื่อคนทําเพื่อคนทําเพื่อชื่อเสียงเพื่อคะแนนแต่การเมืองนี่มันแต่แตะคะแนนต่างมันัันดับอลัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์เข้าแบบนี้ เเดียว อ, อีกขาอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างนอกอีกข้างหนึ่งอยู่ในสวรรค์พอสูดกลิ่นในสวรรค์อลลอกินมันหอมมัจากสวรรค์แล้วพอเห็นยังไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นไม่ทั่วอลลอร์ดึงมันออกมาอย่ารอทำไมทรมานฉันอย่างนี้ล่ะนี่แหละต่อ ก, การจะให้เองรู้ตอนอยู่บนโุญญนยาเนี่ยฉันบอให้ทำเพืเอ่ออลลอร์ให้หมด นี่ทำเพื่อลอคนเห็นยังครับแค่ยังไม่ได้เข้าสวรรค์เพียงไายืนป่าประตูสวรรค์ก้าวๆเดียวเข้าไปได้กลิ่นหอมเองไม่เอาใช่ไหเอาให้ได้รู้รสสักนิดหนึ่งเอาออกมาเอาทำเพื่อมนุษย์ได้ได้บ้างอะทำเพื่อมนุษย์ไม่ได้อะไรเลยตอบแทนได้จะชมสรรเสริญ จ, จากประชาชนมันชมคุณแล้ว บ, บนโลกดุนยา อาคือรอเองไม่ได้แล้วเห็นอย่างรับท่านอย่าทำเพื่อมนุษย์อย่าทำเพื่อเงินอย่าทำเพื่อชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศเม่ต้องไปทำทำเพื่ออะไรลินละเพื่อัลลอฮ์องเดียวเล่าให้ฟังนะไม่เชื่อก็ได้ไปนะองเอาต่อมาครับอินอัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์และยาด ah ีไม่ทรงนำทาเห็นไหม ใครรือเปล่าถ้าอัลลอฮ์ไม่นำทางในแย่เลยนะแต่อัลลอ์ให้เงินไม่นำทางแต่ให้เงินให้ตำแหน่งให้เกียรติยศให้ชื่อเสียงให้เมียให้บ้านให้ลูกให้รถให้ที่ดินเอาไปเลยบนุญญาไปนี่แต่ทางนำเองไม่มีพอทางนำมันมีเป็นไงไปน้องครับสเปสปาย่บนุญญา